ทนีขันห้าเนี่ยถ้ามันทุกทายเดียวคำว่าทุกขในที่นี้ก็คือประกาศว่าถ้ามันเป็นอนิถารมโดยส่วนเดียวหรือมันเลวร้ายไปหมดเลยถามว่าจะมีใครกำหนัดกับกับรูปไหมไม่มีแต่แต่ว่ารูปนี้มีมีสุขคำว่าสุขในที่นี้เนี่ยแปลว่าเป็นปัจจัยแห่งสุขนะไม่ใช่ว่าตัวรูปมันสุขมันเองเพราะว่ารูปเนี่ยมันเป็นปัจจัยแห่ง ความสุขเนี่นยนะเพราะผู้ที่เรียนศัพท์มาเนี่ยจะรู้ว่าคําว่าสุขศัพท์เนี่ยมีหลายความหมายเช่นหมายถึงสุขเวทนาก็มีหมายถึง เ, เหตุแห่งความสุขก็มีเนี่ยนะหมายถึงปัจจัยก็มี น, นะคำว่าหมายถึงสุขเวทนาก็สุขทุกอุเบกขาใช่ไหมถ้าหมายถึงเหตุแห่งความความสุขก็เช่นว่าพระพุทธเจ้เาการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความสุขะนะ อันนี้หมายถึงเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยเนี่ยเพราะว่าอย่างรูปเนี่ยถ้าอิทธารมก็เป็นปัจจัยแห่งสุขถ้าเป็นอ น, นิถารมก็เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์นะสุขขัพท์นี่มีหลายความหมายแต่ในที่นี้ในฐานะเป็นปัจจัยแห่งแห่งสุขนะก็เลยเรียกว่ารูปเป็นสุข หรือกล่าวแยกอีกในหนึ่งว่ารูปประขันก็แบ่งเป็นอิทธารมและอันนีธารุลมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นเป็นไปกับอิทธารมและอันนีธารุลมที่นี้ถ้าเวทนามันมีแต่ทุกนเนี่ยจะมีใครติดไหมสัญญามีแต่เลวหมดก็ไม่มีใครติดสังขารวิญญาณถ้าเลวหมดก็ไม่มีใครติดแต่ว่ามันมีสุขอยู่ในสิ่งเหล่านี้บ้างเห็นไหมมีสุขอยู่ในกล่าวนี้ ก็เท่ากับก็เท่ากับกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นปิยรูปสาตรูปหรืออิทธารมปิยะแปลว่าน่ารักสาตะหน้าพอใจอิทธารมแปลว่าหน้าปรารถนาเพราะฉะนั้นก็รูปที่น่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยมีอยู่ ทีนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้อะไรเกิดอ่ะ น, นะเมื่ออารมณ์มันน่าปรารถนาแบบนั้นความกำหนัดก็เกิดความกำหนัดอันนี้หมายถึงเป็นไวโพ์ของราคะก็ได้เป็นไวโพ์ของโลภะก็ได้เป็นไวโพ์ของอนนะสายกิเลสเอะนะเอาชื่อกิเลสมานั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละ ทีนี้พอกำหนัดเกิดขึ้นอะไรประกอบก็ถ้าหมายถึงโยคะนะหรือกลุ่มสังโยสังโยชนี่นะพอประกอบขึ้นอะไรเกิดก็ติดข้องและลุ่มหลงเพราะฉะนั้นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีราคะโทสะและ โมหะเป็นมูลนี้ก็เกิดขึ้นนี่คือความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนนี้ยกให้อารมณ์นะสัตว์จะเศร้าหมองหรือจะบริสุทธินี้ยกให้ให้อารมณ์อันนีแต่กล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความหน้าปรารถนาหน้าพอใจนั่นแลสัตว์ทั้งหลายจึง เศร้าหมองว่าั้นเถอะว่าสรุปนะแต่ทีนี้ขัน5เนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะก่อให้เกิดราคาโดยส่วนเดียวไหมมันจะไม่มีพิษมีโทษมีภัยอะไรเลยหรื อ, อนะเพราะในในฝ่ายวิวัตตะนะคือสูตรออขออภัยข้อที่กล่าวไปแล้วนะข้อ131เนี่ย เป็นวัตตะวัตตกถานั่นนะก็เท่ากับกล่าวทุกกระหมูไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูวิวัตตกถามหาลิก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์นี่เป็นไงนะสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือทํายังไงจะบริสุทธิ์น่ะนะบริสุทธิ์จากราคาบริสุทธิ์จาก โทสะและบริสุทธิ์จากโมหะทำยังไงจริงกับบริสุทธิ์ได้ทำยังไงจริงกับเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงอ่ะนะปัจจัยอะไรมันทำให้หมดความโลภความโกรธความหลงอะ่อะอ่นะพระองค์ก็ตรัสว่าก็หากว่ารูปนี้จะเป็นสุขถ่ายเดียวสุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขไม่ได้ประกอบด้วยความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อนหน่ายในรูป ก็เพราะรูปเป็นทุกข์กกตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่ได้ประกอบด้วยสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้นะนะสรุปว่าตัวรูปเองเนี่ย ม, มันไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งสุขโดยส่วนเดียวใช่ไหม มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเพราะฉะนั้นปัด เ, เวลาแสดงเรื่องรูปที่จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัจนะเพระองค์จะไม่บอกว่ารูปนี้สวยชื่นชมรูปเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมจะไม่ลักษณะชื่นชมรูปแต่จะพูดถึงโทษของรูปเป็นหลักเพื่อให้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมไคลายกําหนัดอันนั้นแหละ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ละราคะละโทสะละโมหะโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาแสดงถึงรูปพระองค์จะแสดงว่าไงแสดงแบบย่อที่สุดเนี่ยรูปนี่แหละตัวชราและมรณะนะถ้าย่อไปกั น, นั้นนะถ้าขยายกว่านั้นอีกเป็นยังไงก็ขยายถึงทุกทั้งมวลเลยนะทุกตั้งแต่ไหน ทุกตั้งแต่หยังลงสู่คันทุกตั้งแต่คันวิบัติทุกตั้งแต่บริหารคันทุกตั้งแต่คลอดจากคันทุกตั้งแต่พอเกิดมาแล้วทุกอะไรบ้างเคยถูกตีไหมอ่าแสดงว่ามีแม่ใจดีมากนะไม่ถูกตีนะเของเรานี่วันไหนไม่ถูกตีมีบ้างหรือเปล่าเต้องพูดแบบนี้นะแล้วก็ไอ้ทุกพราะเกิดจากการเลี้ยงดูมาอีกใช่ไหมแล้วทุกเพราะเติบโตมาอีกนะทุกเพราะทําเองบ้างทุกเพราะผู้อื่นทํำบ้าง แล้วก็ทุกเพราะทํามาหากินเป็นต้นบ้างก็ทุกอะแล้วก็ทุกเพราะความป่วยไข้อะ่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกันนะเพราะฉะอรูปมันเป็นทุกแบบนี้นี่แหละมันไม่ได้มีความสุขเสม อ, อยั่งยืนปะมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่ารูปมันเป็นทุกเขาก็เบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดก็หลุดพ้นเนี่ยนะอันนี้แหละปัจจัยที่ทําให้สัตว์บริสุทธิ์เนี่ยนะ ถ้าเป็นที่อื่นนะในในสังยุตตนิกายนิทานาวรกจะกล่าวถึงว่าต้นไม้เนี่ยปกติถ้าไปรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยเนี่ยนะต้นไม้นั้นมันจะตายไหมไม่ตายมีแต่เจริญงอกงามานะเว้นไว้แต่คนไม่เป็นดูแลนะถ้าคนเป็นๆ เ, เนี่ยถ้าเขาดูแลเนี่ยต้นไม้มีแต่เจริญงอกงามฉันใดการตามเห็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะโดยอัศทะโดยโดยเป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัตนะถ้าตามเห็นแบบเนี้ยคือวิธีสร้างวัตตะเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าตามเห็นว่าไอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ดีมันมีทุกข์มันมีโทษมันมีภยัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไปเพื่อคลายวัตตะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็หลายท่านก็กําลังสองกิจสองใจอยู่นะ มันก็ดีนะเป็นบางครั้งมันก็บางครั้งเราค่อยๆดีนะพอคิดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าอขันห้าก็มาค่อดีพอเราคิดเองบั่งอขันห้ามันก็ยังใช้ได้นะก็ก็สลับระหว่างเรียกว่ากําลังสองจิตสองใจยอยู่ว่ากําลังเดินตามรอยเท้าใครดีนะระหว่างเดินตามตัวเองหรือเดินตามพระพุทธเจ้าก็วันๆหนึ่งก็สังเกตดูนะถามดูว่าเราตามพระพุทธเจ้าเอางี้นะีพูดแบบพระปาราสิยะเนี่ยนะ ไม่ใช่พระตาลบุตรว่าเราเป็นสาวกของจิตหรือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ า, าพ้วพุกการแล้วกันเป็นสาวกของใครมากกว่ากันหรือรู้กันน ะ, ะ, น, ะนะะไนะบา ง, งนก็จะสดไะีไม่ไไมนอ้อยังไม่ทันบวชเลยคิดอย่างนั้นได้แล้วหรือ อ๋อเผื่อเื่อนึกว่าถ้าบวชแล้วจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะเพรบบ า, านระนาั้นสรปว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีสุขโดยถ่ายเดียวเนี่ยนะถ้าหากว่ามีแต่สุขตามสนองอย่างลงสู่ความสุขไม่ได้ประกอบด้วยความทุกข์บ้างแล้วัตว์สวทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณก็เพราะวิญญาณนี้เป็นทุกข์ ทุกตามสนองอย่างลงสู่ความทุกข์มิได้ประกอบด้วยความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงบริสุทธิ์แม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์แม้ด้วยอาการอย่างนี้นก็รู้แล้วนะว่าปัจจัยที่จะทําให้เศร้าหมองเป็นยังไงปัจจัยที่จะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไร นีนะพุทธศาสนาเป็นกิริยะเป็นกิริยาวาทหรือเป็นกรรมา ว, าวา ท, าววาทเนี่ยนะวาธาแลลวา่าทิฐินะวะกรรมวาททิฐิกล่าวว่ากรรมนี่มีผลหรือความเพียร น, นี่มีผลเนี่ยนะอย่างพระองค์นี้เป็นเป็นผู้ที่สรรเสริญความเพียรที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ายๆสูตรยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรหาผู้อื่นเสมอไม่ได้เนี่ยนะเป็นคนที่ใช้ความพยายามบากบั่นมากที่สุด ไม่ใช่ชีวิตปล่อยปล่อยแบบไปตามกระแสนะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบปล่อยเฉยเช้าถ้วยเย็นชามอะไรไม่ใช่แบบนั้นอีกสูตรหนึ่งนะอาทิตย์สูตรอาทิตตะนี่แปลว่าความร้อนนะนะอาทิตย์เนี่ยแปลว่าความร้อนอย่างเช่นจักขุ่งอาทิตตังว่ารูปเป็นจักสูเป็นของร้อนอย่างเงี้ยนะสูตรนี้ก็อาทิตย์สูตรว่า กรุงสาวถีนะบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยร้อนนักใช้คําว่าร้อนนักกันนะคือร้อนมากดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะใครอยากได้ข้อปฏิบัติแบบย่อๆนะให้กรรมฐานมาจะให้กรรมฐานอันนี้ได้ไปบอกขันห้านี่มันร้อนนั ก, กน เ, เมื่อฟังอย่างนี้แล้วให้เบื่อหน่ายในขันห้าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเพรคลายกําหนัดก็หลุดพ้นนะใครแบบอยากได้ย่อๆนะ่เอานี้ไปนะท่องอ ง, ง่า <laughs> ย ขนาดขันห้านี่ร้อนนักนะอริยะสาวกเมื่อได้ฟังก็เบื่อเลยนะไอ้มันร้อนยังไงขันห้านะนบอกว่าร้อนด้วยไฟสิบเอ็ดอย่างเผาขันห้าเนี่ยถ้าถ้าพิจารณาเนี่ยท่านจะพิจารณาเริ่มตั้งแต่ปกติเนี่ยขันห้าถ้าเป็นขันห้าที่ดีอะไรเผาถ้าขันห้าที่ดีนะบริบูรณ์งามหมดเลย ราคาก็เผาจิตอีกเพราะว่าราคานี้พระองค์บอกว่าเป็นอมิตรภายในเป็นค่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเนี่ยนะก็เป็นเพชฌฆาตที่ที่ยอมรับนะนับถือกันมากะให้ความสําคัญมากถ้าแกไม่ค่อยเกิดก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะนั้นราคานี้ก็ถือว่าเป็นเพชฌฆาตเป็นค่าศึกไฟคือราคานี่นะโบราณท่านนิยมแปลว่าเพลิงคือราคานะเพลิงเป็นภาษาเขมรนียนะ อนนะถ้ารูปมันไม่ดีล่ะถ้าขันห้ามันไม่ดีเลยนะไฟอะไรเผาไฟคือโทสะทั้งรูปดีหรือรูปไม่ดีรูปปานกลางนะเห็นไหมวันนี้ทุกนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยแทงตลอดอันนั้นไหมไม่อันนั้นแหละไฟคือโมหะนีเผาหรือว่าไม่รู้ว่านี้รูปเหตุเกิดของรูปความดับอาศะทาอาทีนวะนิสสารณะของรูปไอาการไม่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ไฟคือโมหะนิเผลฉะนั้นขันห้าเนี่ยไฟคือราคะโทสะโมหะนิเผลลองหาอารมณ์ที่ไม่ถูกกิเลสเผาดูนะที่เป็นอุปาทานขันห้านะลองหานะมีไหมที่ไม่ราคะไม่เผาโทสะไม่เผาโมหะไม่เผาเว้นโลกุตระธรรมเสียเว้นขันที่เป็นโลกุตระเสียขันที่เหลือเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหมดเลยโดยที่สุดขันแห่งพระพุทธเจ้าขันแห่งพระพุทธเจ้านี่คนชอบพระพุทธเจ้าหมดไหม คนเกลียดพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยเลยนะสมัยโบราณนี่หาเรื่องพระพุทธเจ้าจังเลยเนี่ยนะอย่างนางสุนทรีเอยนางมาคันทิยาเอยเดยรธีหาเรื่องทุกเกือบทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะจะทําลายพันพระพุทธเจ้าก็ถึงจะดีขนาดนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ชอบใจของคนไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็ไฟคือโทสะก็เผาเนี่ยนะขนาดดีขนาดนั้นนะคนอื่นนะโทสะไม่ใช่พระองค์อะ เพราะว่าพระ อ, องค์นี้เป็นอารมณปัจจัยของบุคคลอื่นอยู่ก็ถือว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสของบุคคลอื่นอยู่เนีย่ยนะก็ขณะนั้นก็ยังมีผู้ที่ไฟคือราคะเผาอยู่เหมือนกันเนี่ยนะก็ผู้ที่ติดข้องในรูปประคันเนี่ยนะมีสังขารรักขัที่ดีๆก็มีมีเอ่อก็เป็นที่ตั้งของกิเลสของคนไม่ใช่น้อยเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวพระ อ, องค์อนน่ะนะขันของพระ อ, องค์อ่ะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสของคนอื่น นะเพราะฉะนั้นอุปาทานอขันธ์หาจึงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหมดเลยก็ขันธ์ดีๆของพระองค์เนี่ยที่เสียทั์เสียหายทำลายไปนะพระนร้องให้อะ่ะ น, น, นะพระนร้องให้ระงมเลยนั้นก็แสดงว่าอุปาทานอขันธ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งโทสะเนี่ยนะคำว่าโทสะไม่ใช่ว่าไปคิดฆ่านะถ้าพระเทวทัตเนี่ยคิดฆ่าแต่พระนน้์ก็โทสะเหมือนกันแต่ว่าโทสะแบบเสียใจนะ อันไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่เผาทุกขันเลยลองหาดูเถอะที่ไหนขันห้าที่ไม่ถูกราคะโทสะโมหะเผาอะไม่มีทีนี้ขันห้าอันนี้อย่างลงครั้งแรกนี่ก็ถูกไฟคือชาบเนี่ยเผาเนีย่ยนะถ้าไม่เกิดในนรกเนี่ยมันจะร้อนไหมไม่ร้อนหรอกถ้าไม่เกิดเป็นเปรตนะ ความทุกข์ของเปรต จ, จะมีไหมถ้าไม่เกิดเป็นเดรัชานั่นไม่เกิดเป็นหมูหมากาไก่เนี่ยนะจะทุกข์ไหมถ้าไม่เกิดเป็นคนนะ่นไม่เกิดเป็นขอทานอยู่อินเดียนี่จะต้องมาขอทานอย่างนั้นไหมเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเป็นเราๆแบบนี้มา น, นั่งฟังทำให้ยุงกัดทําอะไรใช่ไหมนี่ถ้าไม่เกิดนะั่นไม่เดือดร้อนขนาดนี้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไฟคือชาติก็เผาเพราะเกิดมาแล้วนะหลังจากเกิดมาก็บอกว่าหลังจากปฏิสนธิขณะหลังจากนั้นชื่อว่าชาราหมดเนี่ยนะ ชราหมดนั้นไฟคือชราก็ก็เผาก่อนนะไฟคือชราเนี่ยเผาเผาตั้งแต่อยู่ในครนเลยนะเรื่อยมาจนถึงไฟคือมรณะก็เผาติดตามมาอีกรอบหนึ่ง น, นไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะแล้วไอ้ระหว่างชาติชรามรณะเนี่ยนะชีวิตที่ตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่ด้วยความสุขเลยใช่ไห ตั้งอยู่ด้วยความแหมเพลิดเพลินตลอดไม่ใช่ตั้งอยู่ด้วยความรำพันเนี่ยนะตั้งอยู่ด้วยโศกะตั้งอยู่ด้วยปริเทวะตั้งอยู่ด้วยทุกตั้งอยู่ด้วยโทมณตั้งอยู่ด้วยอุปาญาตอันนั้นเราลองมาแบ่งชีวิตของเราดูนะว่าอันไหนมันจะเกิดมากกว่ากัน ค อ, อนี้มันได้แต่ว่าจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องมะไม่ได้ประวรณาไว้หมอว่าลกประมากนั น, <c oughs> นนนะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอันนี้ถือว่าเป็นอ น, นิสงส์ที่มาจากอะไรชาติชรากับ มรณะนะถ้าว่ารวมๆนะโสกาเนี่แปลว่าความโศกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความโศกก็ต้องเป็นอะไรควรจะเป็นความสบายใช่ไหมสบายทางความคิดนะสบายทางความคิดกับโศกไม่ใครใครใครยินได้ทั้งวันกับแบบวันนี้เครียดทั้งวันเนี่ยไหนมากกว่ากันคุณทพานัยมากกว่าสองงางนลย นะ <l izione> รู้กันนะกลัว <ique> จะปล่อยหมู <l ign> ปล่อยเป็ดปล่อยไก่อยู่ในห้องปริเทวาเนะี่ยปริเทวาคือลักษณะบนถามรวมๆ ว, ว่าเราบ่นกับเราชมเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเนนะคือมีความสุขมากนะพูดถึงใครแล้วบ่นแบบตำหนิกับคือเข้าไปดีใจกับเข้าไปเสียใจอันไหนมากกว่ากันมารวมๆ ร, ร, ร่างกายเนี่ยนะมันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากัน ก็มาแบ่งดู น, นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปริเทวะควรเป็นอไ น, นชื่นชมเหมนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโทมนัทคือดีใจดีใจกับเสียใจอันไหนมากกว่ากันแล้วก็อุปายาตคับแค้นใจกับโล่งใจแล้วก็มาทดสอบสวนดูว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน เพราะนั้นแต่ว่าโดยมากพระองค์ตรัสว่าโสการิเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยมีมากกว่าเนี่ยนะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นไฟเนี่ยนะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะสสขันหเนี่ยถูก เผาหรือร้อนนักเนี่ยนะพระองค์บอกว่าขันห้าเนี่อร้อนนักร้อนด้วยไฟสิบอกองเนี่ยเผาเพราะฉะนั้นอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายนี่พอฟังแล้วใครรังเกียจขันห้าบ้างช่วยยกมือขึ้นหน่อยนะคุณคุณปิดารู้สึกรังเกียจขันห้าบ้างป่าเขาโผลไม่มีใครยกมือเลย อ๋อมายุพินยกมืออนะรังเกียจฟันเลือเกินอย่งนั้นอ๋อปันก็นึ่งนะก็รังเกียจขันท่าเลือเกินบางขันอ่ะนะบางขันบางขันเช่นขันคือยุงที่มันมากัดเนี่ยรังเกียจเลือเกินอันนี้คือไฟชีเวตกองที่มันเผาขันท่ากิเลยชีเวตเมีอะไรบ้า ใช่แล้วนีไม่ไม่ทราบเพราะว่านี้บอกว่าที่คนนึงก็มุเข้ากัอซเจรสิใช่ไฟคือราคะเป็นต้นนั่นะสังเกตโน่นนะที่ตาปยายาสูตรนี่จะบอกชัดถ้าที่ตาปยาญาสูตรนี่จะชัดเลยจะบอกเลยบอกว่า ดูความพิสูจทั้งหลายจักโสเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขูวิญญาณเป็นของร้อนจักขู่สัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อ น, gger, นอร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะนะราคขินาโทสักินาโมหขินาเนี่ยร้อนพระไฟคือชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตนะก็ทวาร6กก็ถูกไฟเหล่านี้เผา นี่ก็สูตรนี้เอาขันห้านะขันห้าทุกขันเนี่ยถูกไฟอันเนี้ยเผาหมดเลยแล้วก็พันอริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในขันห้านะให้เบื่อหน่ายในขันภายในให้มากนะเบื่อหน่ายขันภายนอกอาจจะไปหาขันอันใหม่ขึ้นใช่ไหมเบื่อขันหนึ่งไปหาขันหนึ่งบ่นมากไปหาขันใหม่ซะเลยเนี่ยนะมีในห้องเราก็มี มือจะว่าถามว่างไงนี่อุตส่าหจะเหมือนเป่าที่ทอดปุ้งนานกว่าจะสงบจะปล่อยไว้นานมือจะสงบเองที่จะให้มันสงบเร็วขึ้นจะทําไงเขาบอกอุตส่าห์เ น, นี่ยเหมือนเป่าที่ทอดปุ้งเนี่ยจะปล่อยมันก็ลงมาสงบเองที่จะให้มันสงบไวขึ้นแล้วน้ําผมที่จะทำไงใครใครว่ามาเจอเนื้สือเล่มไหนลูกก็เขีย น, นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนเราเอาเป่าเป่าที่ทอดมันปุ้งอะุตส่าหจะ แล้วตามมาจะให้มันสงบเร็วขึ้นครับแต่เราเข้าช้าไม่เป็นมันก็แล้วทำไงทำไงมันสงบเร็วขึ้นครับก็กรรมฐานทั้งหลายที่สอนก็เพื่อสงบนั่นแหละถ้าเราเข้าช้าไม่เป็นมันก็ไม่สงบแล้วก็สองนะครับพรเพุทธเจ้าเหมือนช้างสึก ลงสนามจะไปกลัวคมบอกคมจันดูไหมายความว่าอย่งไรครับอาไปเอามาจากไหนาจำไม่ได้มันอยู่ในหนังสื อ, อเพราะว่ถ้าถ้าไม่มีที่มานะยังไม่ต้องเอามาถามเลยกันนี่ตอบไม่ได้แล้วอีกสูตรหนึ่งนะหน้าพิจารณาคือนิรุรติปัฏฐานสูตรปัะฐานนี่แปลว่าทางนะนิรุติก็คือภาษาหรือบัญญัติทางแห่ง บัญญัติก็ได้หรือทางแห่งภาษาหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายวิถีทางสประการนี้คือหลักภาษาชื่อและบัญญัติเนี่ยนะคือหลักภาษาหรือชื่อหรือบัญญัติเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งและยังไม่เคยถูกทอดทิ้งย่อมไม่ถูกทอดทิ้งจักไม่ถูกทอดทิ้งอันสมณพราหมู้เป็นวิญญูชนไม่คัดค้านแล้ว สามประการเป็นไนดูความพิสูจทั้งหลายการนับรูปที่ผ่านพ้นไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าได้มีแล้วอันนี้หมายถึงอะไรได้มีแล้วนะบาลีนี้เขามีรหัสนะคือถ้าแล้วเนี่ยแบบอดีตการเนี่ยนะถ้าอยู่ย่อมจะเนี่ยปัจจุบันถ้าจักนี่เป็นอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบอกว่ารูปที่แปรพ้นไปแล้วดับแล้วแปรปลวนไปแล้วได้มีแล้ว การให้ชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วรูปนั้นน่ะไม่นับว่ามีอยู่ไม่นับว่าจักมีคือมันหมดไปแล้วะนะมันไม่ใช่กำลังมีใช่ไหมมันไม่ใช่จักมีในอนาคตเพราะว่ามันนีอยู่ในอดีตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกัน ไม่มีหลวงพ่อเป็นพระมหาอยู่ด้วยนะพูดบาลีก็ต้องระวังมั่ง อ, อยู่แต่กับคนไม่ค่อยรู้มันค่อยอยากดำน้ำมังโผลมั่งนี่ก็พ้นไปเองนะก็ลักษณะของอดีตนะ ปัจจุบันแลวก็อนาคตคืออดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโวหารเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยประมันคือเป็นเป็นโวหารที่พี่เป็นสมมุติกันนะเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าเวลาหนึ่งนาฬิกาสองนาฬกาพวกนี้เป็นสิ่งที่บัญญัติหรือว่าให้นิยามกันขึ้นมาเพื่อที่จะ สะดวกต่อการสื่อสารหรือพูดหรืออะไรก็ตามแต่เพราะสิ่งที่เป็นอดีตคือล่วงแล้วถามว่าอะไรล่วงแล้วก็รูปเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอ่ะนะเพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้วอ่ะคือสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยนะเค้ามันหมดไปแล้วอ่ะ แต่สิ่งที่หมดไปแล้วจะ ก, กล่าวว่ากำลังมีได้ไหมไม่ได้จะ ก, กล่าวว่าจากมีก็ไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนีคนะาารรนน่คือทางแห่งภาษาธรรมะใช้ว่านิรุติปทะใช่ไหมคือทางแห่งภาษาหรือทางแห่งชื่อหรือที่ตั้งแห่งโวหารอย่างหนึ่งทีนี้สิ่งที่กำลังมีอะไรคือสิ่งที่กำลังมี ก็ขันท่าอีกนั่นแหละทีนี้สิ่งที่จักมีก็คือขันท่าก็คือขันท่าที่เป็นอดีตขันท่าที่เป็นอนาคตขันท่าที่เป็นปัจจุบันทีนี้ขันท่าที่เป็นอดีตเนี่ยนะคือมันล่วงไปแล้วไม่ใช่กําลังมีไม่ใช่จักมีขันท่าที่กําลังมีนะที่กําลังมีอ่ะไม่ใช่จักมีไม่ใช่ล่วงแล้วขันท่าที่จักมีไม่ใช่ ล่วงแล้วไม่ใช่กําลังมีแปลว่ามันแยกกันโดยเด็ดขาดแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันนะสมมติว่าอันนี้เด็กชายกอเด็กชายกอไกอ่ปัจจุบันนี้เป็นนายกอไก่สมมตินาะข้อ ต, ต่อไปนี่คุณปู่กไก่ยังไง ถามว่าเอา้าที่ล่วงไปแล้วเนี่ยกับที่กําลังปัจจุบันกับอนาคตต่อไปนี่ถามว่าคนเดียวกันไหมนะถ้ากล่าวว่าคนเดียวกันมันก็สัตตะถ้ากล่าวว่าแยกกันกุดเฉดอันนั้นเป็นยังไงสรุปเป็นยังไงสรุปว่าไงสรุปว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่เกี่ยวเนื่องกัน เนี่ยนะสัมพันธ์กันโดยความเป็นเป็นเหตุและเป็นผลที่สืบเนื่องกันจะว่าอันเดียวกันมันก็ไม่ใช่ถ้าอันเดียวกันมันต้องเหมือนเดิมหมดสิแต่ถ้าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไปขโมยมะม่วงใครก็ไม่ผิดกฎหมายถ้ามันแยกกันโดยสิ้นเชิงนะอาคุณปลูกเม็ดไม่ใช่หรือหรือคุณปลูกกิ่งอะที่ผมเอาผมเอาลูกนะเถ้าแยกกันโดยสิ้นเชิงอะนะ แล้วก็มันจะไม่ผิดกฎหมายถ้าถ้าเป็นแบบนั้นแต่นี่มันสัมพันธ์การสืบเนื่องกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลยังไงไม่ผิดกฎหมายใครจะไปด่าใครไว้เมื่อวานนั้นมันหมดไปแล้วมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยนะก็เลยฟ้องไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้อ้อแก้ตัวเนี่เออคำว่าอดตปัจจุบันนีแม้ขนาดกินหนึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตปัจจุบันโอโอ้หลึกซึงมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็นั้นโดยขณะนะครับการลึกซึ้งขนาดนั้นก็เอานะครับไม่ไม่ผิดอะไรแล้วแล้วอย่างการพิจารณารูปสัตวกาลรูปสัตวกานี้ก็พิจารณาในขณะก็อันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่นะครับทีนี้ไอ้นิยามคําว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยแล้วแต่จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเป็นเครื่องวัดอีกครั้งหนึ่งกันไห อุป า, าทิีติพังคะของดวงเดียวกันถือว่าปัจจุบันหมดเลยอ่า เ, เป็นปัจจุบันทั้งหมดเลยนี่ก็สามสรุปว่าสูตรนี้กล่าวสามการนะยังไม่อ่านซ้ำอ่ะนะกล่าวสามการอนะเพียงแต่ว่าอดีตไม่ได้ไม่ได้ติดกับปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่อันเดียวกันอ่ะนะอันนี้ถือว่าเป็นหลักหลักภาษาหรือว่าทางแห่งนิรุติเนี่ยนะโวหารการเรียกชื่อมันเป็นอย่างนี้ ดูกอนพิสูจทั้งหลายวิถีทางสาประการนี้คือหลักภาษาการตั้งชื่อการบัญญัติเหล่านี้ไม่ถูกทออทิ้งแล้วเนี่ยยังไม่เคยถูกท้อทิ้งย่อมไม่ถูกทออทิ้งจักไม่ถูกทออทิ้งอันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่คัดค้านแล้วดูกานพิสูจทั้งหลายแม้ชนชาวอุ ก, กระชนบทกับชนชาววัสวัสโคดพัญโคดทั้งสองนั้น ล้วนพูดว่าไม่มีเหตุบุญบาปที่ทําแล้วไม่มีไม่เป็นอันธทำทานที่บุคคลให้ใหแล้วไม่มีผลก็ได้สําคัญวิธีทางสาประการนี้คือหลักภาษาการดั้งชื่อและการบัญญัติว่าไม่ควรติไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกมินทากลัวกระทบกระทั่งกลัวสายโทษและกลัวจะต่อความยาวนะคือเรื่องมันจะมากแล้วนะใครไปปฏิเสธอดีตอนาคตเนี่ยปฏิเสธได้ไหม ถึงจะลัที่มิจฉาขนาดไหนรัที่มิจฉาทิฐิขนาดไหนก็ปฏิเสธอดีตไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่จะมีในอนาคตไม่ได้นะถึงจะลัที่ไหนก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะที่ที่ไม่มีใครทอดทิ้งหลักอันนี้ก็เท่ากับกล่าวว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าขันห้าทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมดาใช่ห แม้กระทั่งว่าการแสดงแบบนี้แม้แต่กระทั่งมิจฉาทิฏฐิบุคคลก็ต้องต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้ น, นขนาดนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะยังต้องยอมรับมื น, นในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกกล่าวถึงอะเหตุกาวาทาหรืออะเหตุกาวาดอากิริยาวาตนาทิกาวาทอะเฮตุกาวาดแปลว่าปฏิเสธเหตุ เนี่ยนะว่าเหตุไม่มีหรอกอคิริยาวาดปฏิเสธการกระทําว่าเช่นบุญบาปไม่เป็นอันทำหรอกนัติกะวาดก็ปฏิเสธวา่าสิ่งที่ทําไปนี่ไร้ผลไม่มีผลอะไรจริงๆแล้วก็คือสิ่งเดียวกันน่ะนะอาหิตุกะวาดอากิริยาวาดนัติกะวาดก็คือทั้งหมดอันเดียวกันนะั่นแหละในสองข้อนั้นมีชนอยู่สองพวกมีทิฏฐิสอย่างแต่ไม่ใชพ่พวกหนึ่งพวกหนึ่งมีทิฏฐิเพราะ พวกลัดทิฐิครึ่งนึในข้อนี้พวกหนึ่งหนึ่งเพิ่งทราบว่าทำทิถีทั้งสามให้เกิดเหมือนพิสูรรูปหนึ่งทำชานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นตามลําดับบางคนเนี่ยอาจจะแต่ว่าโดยสรุปนะทิฐิแต่ละอย่างก็เหมือนกับชานสี่นะบางคนก็ทําได้ครบทั้งชานสี่ใช่ไหมบางครบบางคนก็ได้ชานหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เท่ากันหมดลัดที่อันนี้บางคนก็มีทั้งสามบางคนก็มีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เมื่อบุคคลรำพึงยินดีเพลิดเพลินอยู่บ่อยๆว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีความเห็นของเขาย่อมเป็นเหมือนยินดีในชานเหมือนมัคคัทสระมันดิ่งเหมือนชานเหมือนมัคเลยว่างั้นเขาอย่างลงสู่ความกำหนดว่าเป็นมิจฉาทิฐิเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะฝ่ายดำอย่างแท้จริงถ้าถ้าดิ่งอย่างนี้นะแล้วมันยอมรับสนิทใจเหมือนกับผู้เข้าชานหรือเหมือนกับผู้ผู้ได้มัคนะนะ ดิ่งสนิทเลยว่าที่ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีผลบุญผลกรรมไม่มีรรกตายศูนย์หมดจบกันแค่ตายเนี่ยนะมันถ้าดิ่งขนาดนั้นแล้วก็เหมือนกับคนได้ฌานอะนะเหมือนคนได้มักแหละมันดิ่งขนาดนั้น เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะฝ่ายดำอย่างแท้จริงในฐานะแม้เหล่านี้คือเมื่อบุคคลทำบาปไม่ชื่อว่าเป็นอันธรรมทานที่ให้แล้วย่อมไม่มีผลมิจฉาทิฐิบุคคลย่อมอย่างลงสู่ความกำหนดว่าเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนอย่างลงในอาเหตุกัทิฐิเะนั้นเนี่ยนะถ้าดิ่งแบบนั้นน่ปฏิเสธเลยนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นจะบอกด้วยว่านิยตมิจฉาทิฐิเหล่านี้เนี่ยห้ามสวรรค์ ห้าม น, นิพพานหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้โดยมากก็จะเกิดในโลกันตนรกหรือเป็นเดรฉานเนี่ยนะหรือเป็นอสุรกาเนี่ยนะแต่สรุปว่าไปอบายเพราะว่าคนที่มีทิฏฐิแบบนี้คิดว่าจะทําบุญไหมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเนี่ยสิ่งที่เขาทําควรจะเป็นอะไรทางกายของเขาก็เป็นความชั่วทางวาจาก็เป็นความชั่วความนึกคิดของเขาก็มากไปด้วยความ ชั่วร้ายเนี่ยนะเพราะถือว่าอีกไม่นานทุกอย่างก็จบหมดเนี่ยนะเพราะงั้นพวกนี้ก็ทําบาปมากพวกที่เป็นมิจฉาทิถิดิ่งขนาดนี้นะก็ปฏิเสธเอ่อขอไปก็ไม่ปฏิเสธอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมปฏิเสธไหมเมื่อวานปฏิเสธไหมพรุ่งนี้ปฏิเสธไหมวันนี้บอกปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวก็เขาจะนินทาเอาเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวว่างั้นนะแต่ไปปฏิเสธรัฐที่อันนี้น ะ, ะปฏิเสธหลักการอันนี้ไม่ได้ว่าั้น นี่ก็จบวักกันนะคือให้โดยอย่างหนึ่งก็ถ้าตรงๆก็ให้รู้ว่าหลักการการบัญญัติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะอาศัยอะไรมาบัญญัติเป็นภาษาเป็นโวหารเช่นว่าเอาอะไรมาเป็นพูดอีกห น, นหนึ่งนะเหมือนทางโลกก็บอกว่าบัญญัติเวลานาทีเพื่อประโยชน์อะไร นะแล้วทำไมต้องมันยัดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นต้นนะเพื่อประโยชน์อะไรนี่ในหนึงแต่ถ้ากล่าวนี้ถ้าตามสูตรนี้ก็กล่าวให้เห็นว่าขันห้าที่ร่วงไปแล้วถือว่าหมดแล้วขันที่ไปกำลังปัจจุบันก็กำลังมีอยู่เนี่ยนะขันที่อนาคตก็จะจะเกิดเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าขันที่เป็นปัจจุบันถ้าถอยหลังไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ หมดแล้วเนี่ยนะมันก็อย่างนี้แหละวัตะก็เป็นไปลักษณะนี้ขันห้าในการที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ก็ผู้ที่ฟังทำนะถ้าได้สามการนะอดีตอนาคตปัจจุบันมาสามเลยนะคาว่าขันสิบเอดกองต้องได้อะไรบ้างล่ะก็ภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีดใกล้ไกลพระองค์แนะนําว่าไงแนะนําว่าให้เธอเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ อัตาของเราและขันเป็นอะไรมันก็เป็นขันอะ่ะก็มันไม่ผิ ด, ด, ด, ดทั้งหมดนั่นแหละจะเอาหยาบขนาดนั้นก็ไ ด, ด้หราาือจะเอาละเอียดแบบขนาจิตก็ได้เนี่ยนะศรัทธาแบบไหนก็เอาแบบนั้นฮะเพราะว่ามันมันถูกทั้งหมดอะ แต่ว่าหลักเหตุผลของการพิจารณาคําสอนก็คือว่าเห็นอะไรแล้วมันก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในขันท่าได้อันนั้นใช้ได้เ น, นี่ยนะเอาเอาตรงนั้นเป็นเป็นบรรทัดมาตรวัดเ น, นี่ยนะหรือบางทีมานั่งคิดเออเนี่ยความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับแล้วถามว่าคิดอย่างงี้เบื่อหน่ายในขันท่าไหมล่ะหรือนั่งไข้ควนแบบนี้เบื่อหน่ายไหมถ้าเบื่อหน่ายก็จเจริญไปแต่ถ้าไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในขันท่าอะไรเลยก็แสดงว่าไม่ใช่ นะก็ไปพิจารณาจนกว่าจะเบื่อหน่ายในขันห้าเพราะไรเพราะว่าผู้ที่ตามเพลิดเพลินในขัน5ก็คือเพลิดเพลินในทุกผู้ที่เบื่อหน่ายในขันหก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเบื่อหน่ายในที่นี้มายถึงนิพิทาใช่ครับเิาณ์อาจารย์บอกว่ามันเป็นสมณเนานิพิทาตัวเบื่อหน่ายเนี่ยนิพิทาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปเบื่อหน่าย แต่ว่าปัญญานี้เกิดร่วมกับสมณัเวทนานนเขาบอกว่าผู้ที่เห็นขันใช่ไหมสมมตนะิผู้ที่ได้พยะญาณเนี่ยเห็นขันห้าโดยความเป็นของน่ากลัวแต่ใจจริงๆเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเห็นว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัวเนี่ยนะคือรู้ในความที่สิ่งนั้นน่ากลัวแต่ว่าไม่ได้กลัวขณะนั้นเขาไม่ได้กลัวแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ากลัวเช่นเราเห็นไอ้หอก ห อ, อกที่มันคมคมแหลมแหลมเพียวเลยนะถ้าใครโดนเข้าไปทะลุแน่เลยนะเขาเห็นว่าห อ, อกนี่มันน่ากลัวแต่เขาไม่ได้ไปเดินให้เขาใจเขาขนาดนั้นเขาไม่ได้กลัวแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ากลัวนั่นแหะนี่ก็สมควรกันไปแล้วนะ